เขาก็ใสเครื่องเข้าไปไปบิดอ่าไปบิดลำใสไปบิดลำใสทันสักปอ น, นไปะตัดตุ่มมันออกเขาเงียบสงบมาหลายปีปีนี้ก็ขึ้นมาปวดอีกนะใช่เป็นโรคเกาบอ่อเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้ยินมาเปนปวดท้องไหลเขาก็อามวามาเป็นได้ไหม